เราอยู่บนโลกนต่ระวั ง, งให้ข้าพเจ้าย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเราอยู่บนโลกโลกของเราใบนี้ล่ะโลกของเราใบนี้เป็นดวงที่สามในระบบสุริยะจักรวาลโลกของเราใบนี้ที่เรานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ได้ยินเสียงนี้อยู่อยู่ในโลกของเราใบนี้ให้ข้าพเจ้าย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเราอยู่บนโลกโลกใบนี้สุขก็ขมี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 ยกย่องนับหน้าถือตามาพูดดีๆอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเรามีความยินดีในสิ่งนั้นมันเหมือนเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งนะที่ทำให้จิตของเราเข้าไปเกลือกกลัว้วที่ทำให้จิตของเราเข้าไปตั้งอยู่ที่ทำให้จิตของเราไปอยู่ตรงนั้นได้นี่ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของพบได้นะพอสำเพาพอพานพบนะหมายถึงสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่ให้จิตของเรานั้นไปเกลือกลัวได้ในทางตรลงข้ามก็เหมือนกันนะบุฟังบางคนเสียไร่เสียนาะ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 ในภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจความยินดีในลาบในยศยินดีในสรรเสริญยินดีในสุขความยินดีตรงนี้จะทำให้สิ่งนั้นเป็นภพของเราทันทีความยินร้ายในการเสื่อมลาบความยินร้ายในการเสื่อมยศความยินร้ายในนินทาความยินร้ายในความทุกข์ความยินร้ายนั้นจะทาให้สิ่งนั้นกลายเป็นภพของเราขึ้นมาทันที เป็นทั้งพบเป็นทั้งวิภพบเป็นทั้งพบคือสภาวะ without. ที่เราอยากได้เราต้องการเรามีเราเป็นจิตเกลือกลัวได้เป็นทั้งวิภพคือสภาวะที่เราไม่อยากได้แต่จริงเราก็ไปเกลือกลัวมันอยู่นั่นแหละเพราะมันมีวิภพบมันมีวิภวะตันหาตันหาถ้าไม่เกิดความยึดถือความยึดถือทําให้เกิดพบตันหาชนิดที่ทั้งอยากได้ตันหาชนิดที่ทั้งอยากที่จะไม่ได้จะนั้นให้เกิดความยึดถือเกลือกลัวตรงนี้แหะ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 แต่เรายินร้ายในการขาดทุนตรงนั้นน่ะมากกว่าแต่เรายินดีในกําไรที่สะสมอยู่น้อยกว่าอันนี้มันก็จะเป็นภพที่ให้จิตของเราเข้าไปเกลือกลัวได้เป็นความทุกข์ได้ทั้งสองทางมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของความยินดีหรือความยินรายนั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคู่ตรงข้ามแต่มฟังแต่คู่ตรงข้ามที่เกิดขึ้นเรายึดถือติดหนึ่งได้ทั้งสองอย่างนี่คืออํานาจของตัณหาที่มันเป็นไปทั้งทางภพให้เกิดภพเรียกว่าภาวะตัณหา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 เรามีความสรนเสริญแล้วถูกเขาด่าด้วยอันนั้นเป็นการเสรื่อมของการสรนเสริญไม่ใช่แต่เพราะ2อย่างมันเกิดขึ้นได้พร้อมกันและทั้ง2อย่างนั้นมันก็มีความไม่เที่ยงของมันเราจะต้องเห็นความไม่เที่ยงของเสียงสรนเสริญที่เกิดขึ้นทั้งๆ ท, ท, ที่เสียงสรนเสริญก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่เห็นพิจารณาโดยแยกขายให้เห็นโดยประจักษ์ให้รู้ชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีความไม่เที่ยงต่อให้เสียงสรนเสริญนั้นยังอยู่ก็าตาม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 ก็ไม่ครอบงามจิตของเขาตั้งอยู่ทุกเกิดขึ้นแก่ริยะสาวกผู้มีการสะดับเขาพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์จึงรู้ชา ต, ตามที่เป็นจริงว่าทุกนี้เกิดขึ้นแล้วแกเราแต่มันไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาหนังนี้ทุกนั้นย่อมไม่ครอบงามจิตของเขา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 ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจทั้งหลายเรากล่าวว่าเขาหลุดพ้นได้จากทุกเรื่องนี้ได้ตรัสรัตกรที่เป็นคาถาสืบตอบไปว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์เป็นสภาพไม่เทียง